ก็พยานของพระผู้มีพระภาคที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเนี่ะครับเป็นไปต่อเนื่องด้วยเหตุเพียงหวังแค่อวัชชนะเนี่ยนะแค่ตรึกรก็สามารถเพื่อตรัสรู้ถึงธรรมธาตุมีประมาณเท่าใดเนี่ยนะครับสังคต ธ, ธรรมและอสังคตธธรรมเป็นต้นมีประมาณเท่าใดทั้งหมดนั้นโดยอาการทั้งปวงเวน้นการชี้แจงจากผู้อื่นนะครับคือคือไอความรู้อันนี้เนี่ยนะ บารลจะรู้เมื่อไหร่ก็ได้ในธรรมธาตุนะครับคือหมายถึงว่าธาตุทุกชนิดนะที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสังคตะธรรมนะครับสังคตธรรมได้แก่สังขารทั้งหลายหรืออสังคตธรรมได้แก่บัญญัติหรือนิพานเป็นต้นเนี่ยนะมีประมาณเท่าใดทั้งหมดนั้นเนี่ยนะพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดโดยที่ไม่มีใครชี้แจงอะไรเลยเชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะอย่างรู้สังคตะธรรมอสังคตะธรรม สมมุติและสัจจะได้เด็ดขาดโดยประการทั้งปวงก็คือรู้สรรพสิ่งหมดแล้นะไม่มีอะไรที่ไม่รู้บ่างั้นเด็เรียกว่าอนนาวรณญาณเพราะถือเอาความเป็นไปอันไม่ขัดข้องโดยไม่มีเครื่องกางกั้นในญาณนั้นรู้ทุกอย่างประสงค์จะรู้รู้เมื่อไหร่ก็ได้บางคนเนี่ยรู้เยอะนะครับแต่ว่าอยากจะรู้เมื่อไหร่รู้ไม่ได้ต้องรู้เป็นเวลาเวลาเช่น อยกตัวอย่างนะพระบางองค์แสดงธรรมได้แต่ต้องเวลาเย็นนะจึงจะแสดงได้เช้าเพศไม่ได้บ่ายเทศไม่ได้เรื่องนั้นรู้ไม่รู้แต่ว่าพูดไม่ได้ก็ต้องรู้เป็นเวลาเวลาไปลักษณะเนี้นะน ต, ต, ต้องเตรียมตัวก่อนต้องอะไรก่อนอันนี้ไม่ต้องครับประสงค์จะรู้รู้เลยเหมือนคนชํานาญเรื่องรถเนี่ยนะครับพอพูดถึงรถตับรู้ทันทีเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะราะว่าคนที่ถ้าผ่านการซ่อมรถมาเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงนี่รู้แล้วว่ารถมันเป็นยังไงนะครับได้ยินแค่เสียงนี่ก็รู้แล้ะ เอางั้นแล้วหลังแตสรู้ทําไมถึงต้องมีการทบทวนความรู้คือเราก็ดูนะครับว่าคนที่ละเอียดรอบคอบจริงๆเขาทําอะไรเสร็จแล้วนะเขาก็ต้องมาทบทวนนะครับคนที่ทํางานอะไรละเอียดละอ่อนะเขาก็มีการทบทวนมีการวิเคราะห์เป็นต้นเนี่ยนะถึงผลดีพ้นเสียเป็นต้นถึงจะรู้ดีแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังทบทวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปัจเจกขณะยานก็คือยานที่ทบทวนหรือใคร่ครวญ น, นะครับนะ เป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาของคนที่สุขุมรอบคอบอคนที่ทำอะไรละเอียดละเอียดนี่นะครับเขาจะมีการทบทวนนะครับพุทธคุณเนี่ยนะถ้าเราไม่ศึกษาให้รอบด้านให้ได้เหตุได้ผลจริงๆอ่ะาะว่าดีไม่ดีเอาไปพูดนะคนฟังนี่อาจจะได้บาปเพราะว่าอย่างอย่งย่ ง, งผมเคยได้ยินพระองค์หนึ่งที่แปรแปรรมบทกันนะบอกว่านี่พระพุทธเจา้านี่นะ คนไหนเก่งๆคนไหนเก่งๆเอาเป็นตัวเองหมดเลยคนคนไหนชั่วๆเอาเป็นคนอื่นหมดเลยอะไรเงี้ยครับคือใครๆเคยเขาไม่เชื่อคล้ายๆเหมือนกับคุยคือลักษณะการพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับอวดตัวเองคุยโออะไรทํานองเนี้ยนะครับอันนี้ผมว่าทําไมจริงๆนี่ต้องระวังนะผมว่านะสําหรับคนยุคนี้สมัยเนี้ยที่เขาไม่มีศรัทธาครครับคือพระองค์นี่นะครับที่พระองค์กล่าวถึงพระองค์เองโดยพระคุณต่าง ๆ, างๆเพื่อที่จะ อธิบายสัตทินรีนั่นเองนะครับเมื่อพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นแล้วสัตทินรีของสัตว์จะแก่กล้าขึ้นพระองค์จึงตรัสไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็จะพูดแต่แบบนี้หมดไม่ใช่นะครับไปที่ไหนไปโยกตัวตลอดไม่มีเพียงกต่ว่าในส่วนใดที่จะแสดงถึงแสดงถึงถ้อยคําทั้งหลายเหล่านี้แล้วสัตว์ทั้งหลายจะมีสัตทินรีแก่กล้ามากขึ้นพระองค์จึงจะตรัสนะครับ ก็ดูในพระสูตรจริงๆสิครับมีสูตรกี่สูตรที่พระ อ, องค์ยกตัวจะยกแต่ตัวเลยนะครับมีไม่กี่สูตรนะครับเว้นไว้แต่มุ่งอธิบายในลักษณะส่งเสริมสัตว์ทิ้นซีนั่นเองนะครับให้ให้สัตว์เนี่ยมั่นใจเถอะว่าสิ่งที่พระ อ, องค์ตรัสรู้นั้นเป็นของจริงของแท้จริงๆนะครั บ, รบเพื่อที่จะรับรองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสัพพัญยุตยานี่นะครับอย่างรู้สังคตาธรรมะสังคตาธรรมสมมติและสัจจะโดยเด็ดขาดนะครับโดยประการทั้งปวง แล้วยานเหล่านี้ก็ไม่มีการขัดข้องอะไรเลยนะครับดังที่ท่านภาษาริบทเทระกล่าวไว้ในคำภี์ปฏิสัมพิธามักว่าเชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้สังคตาธรรมและอสังคตาธรรมโดยสิ้นเชิงเชื่อว่าอนนาวรณายาณเพราะความขัดข้องไม่มีในยานนั้นหมายคือว่าประสงค์จะรู้เมื่อไหร่ก็รู้ทันทีไม่ขัดข้องเลย ชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้ธรรมะทั้งปวงที่เป็นอดีต ท, ที่เป็นอนาคตและปัจจุบันเชื่อว่าอนนาวรณญาณเพราะความขัดข้องไม่มีในญาณ น, นั้นนะครับเพิ่งทราบความพิสดารนังต่อไปนี้นะครับเหมือนกับข้อความในคำภี์ปฏิสัมพิธามักสัพพัญญุตยา น, นิเทศนะครับแล้วก็สัพพัญญุตยานกับอวันาวรณญาณ น, นี้อธิบายคู่กันเลยถามว่าสัพพัญญุตยานของพระตถาคตเนี่ยเป็นฉไง เชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะอัถฐว่ารู้สังคตะธรรมอสังคตะธรรมทั้งปวงโดยไม่ได้มีส่วนเหลือ <c oughs> อย่างเช่นสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับรูปนามขันเนี่ยน ะ, ะขันไม่ว่าจะเป็นขันภายในขันภายนอกขันในสรรพสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับหรืออสังคตะธรรมไม่ว่าจะเป็นพระนิพานเนี่ยน ะ, ะนิพานจะตรัสรู้จะเข้าถึงจะบรรลุได้ในแง่ <c oughs> ไหนบ้างฟองก็รู้แจง้งแทงตลอดทั้งหมดอย่านัน ทีนี้ชื่อว่าอนนาวรณายานเพราะในยานนั้นไม่มีเครื่องกลางกัน้นเชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะอาถาว่ารู้ส่วนอนาคตทั้งหมดนะครับอนาคตที่จะมีต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับในการเวลาอันหาประมาณไม่ได้เนี่ยพระองค์ก็รู้หมดส่วนธรรมะที่เป็นอดีตนะครับอดีตอันยาวไกลขนาดไหนอะไรเกิดขึ้นบ้างพระองค์ก็รู้หมดรู้ธรรมะในส่วนปัจจุบันเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรก็รู้หมดนะครับ หรือพระองค์รู้จากสู่แร่รูปทั้งหมดจากสู่ไม่ใช่จากสู่พระองค์เองอย่างเดียวนะไม่ใช่รูปของพระองค์เองจากสู่ของสัตห์หาประมาณไม่ได้น่นะรูปของสัตห์หาประมาณไม่ได้ทั้งหมดก็รู้หมดนะครับหรือว่ารู้จักหูรู้จักเสียงรู้จักจมูกรู้จักกลิ่นรู้จักเล่นรู้จกรถรู้จักกายรู้จักโพธภรู้มโนและ ธรรมรมณ์เนี่ยนะครับสรุปแล้วอายตนะภายในอายตนะภายนอกทั้งของพระ อ, องค์เองทั้งของสรรพสัตว์แล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้ก็อย่างรู้หมดนะครับนี่เรียกว่าสัพพัญญุตญาณส่วนอนนาวรณญาณก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในสิ่งเหล่านี้เลย <c oughs> ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณพราะอัฏฐาว่ารู้สภาพไม่เที่ยงสภาพเป็นทุกข์สภาพเป็นอนัตตาตลอดทั้งหมดนะครับ มันไม่เที่ยงพ่อยังไงเป็นทุกเพ่อะอะไรเป็นอนัตตาพราะอะไรในรู้หมดเชื่อว่าอนาวรณายาณเพราะว่าในญานนั้นไม่มีเครื่องกลางกันเลยรู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่กั้นเลยนะประสงค์จะรู้เมื่ อ, อไหร่รู้ทันทีเชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะอาธาิว่ารู้สภาพไม่เที่ยงสภาพเป็นทุกข์สภาพเป็นอนัตตาแห่งรูปคือรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของจักรสุนะครับ ละข้อความก็ละละอะไรไว้ครับนะนะเปตัวนั้นเนี่ยหมายอะไรบ้างนะครับานะจากสุขานาเฉีวหากายามนะมณะรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะและธรรมรมนะครับแล้วก็อะไรอีกจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญา ณ, าญญาณชฉีวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณนะครับจากขูสัมผัสนะครับสัมผัสสะ6เวทนา6สัญญา6เจตนา6นะครับสัญญา6ตัณหา6วิตก6วิจารณหกธาตุห อายตนะ12บท่า18อินทรีย์22อาการ32กสิบสอนบนะครับทบ9ก้าท่าสอ ป, ปมัญญาสี่สมาบัติ8ปปฏิจจสมุปบาทมี12เป็นต้นนะครับทีนี้ยกมาข้อสุดท้ายเลยนะปฏิจจสมุปบาทอันสุดท้ายพระองค์ชื่อว่าสัพพัญยุตยานพอรู้สภาพไม่เที่ยงสภาพเป็นทุกข์สภาพเป็นอนัตตาแห่งชราและมรณะอันเอาบทสุดท้ายของ ปฏิจจสมุปบาทมากล่าวเนะชื่อว่าอนนาวรณายานพราะอาาัถฏฐานในยานนั้นนะ่ะไม่มีเครื่องกลางกัน้นเพราะฉะนั้นในขันธ์าตุอายตนะเป็นต้นทั้งหมดนี่นะครับสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาโดยประการใดพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะครับและในยานนั้นก็ไม่ขัดข้องด้วยนะประสงค์จะรู้เมื่อไหร่ก็รู้ได้ทันทีนะครับเชื่อว่าสาพันยุตยานพราะอัถว่าสภาพ รู้สภาพธรรมะที่ควรรู้ยิ่งด้วยอภินญาตลอดทั้งหมดรู้สภาพที่ควรกําหนดรู้ด้วยปริญญารู้สภาพที่ควรละด้วยปหานะรู้สภาพที่ควรเจริญด้วยภาวนารู้สภาพที่ควรทําให้แจ้งด้วยสัจฉิกิริยาตลอดทั้งหมดเลยนะครับอันนั้นอภิญญาปริญญาปหานะภาวนาเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนเหลือแล้วก็ญาณเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรกางกั้นด้วยจึงชื่อว่าอนนาวรณญาณ คือทั้งหมดเนี่ยคือคือมันไม่ใช่สิ่งเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นอภินญญาธรรมเนี่ยนะครับธรรมที่ควรรู้มีเยอะเมื่อธรรมะมีเยอะอย่างนั้นน่ยบางคนเอ๊ะพระองค์รู้หมดหรือเปล่านี่บอกว่าพระองค์รู้หมดเลยไม่มีเหลือเลยอย่างนั้นเถะแต่พูดสัมนวนง่ายๆว่าสิ่งที่สัตว์รู้มีเท่าไหร่พระองค์รู้เท่านั้นอย่างนั้นเถอะย่ว่าสัตว์ธรรมดาเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าองค์อดีตหรือองค์ที่จักมีในอนาคตจะรู้เท่าไหร่พระองค์ก็รู้เท่านั้นอย่างนั้นเถอะย่ว่าสัตว์ธรรมดาเลยนะ สัตว์ธรรมดาๆนี่มันอาจจะเกินไปนะมันง่ายไปเหมือนกันเถอะเอาสัตว์แบบพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในอดีตทั้งหมดเนี่ยพระองค์เหล่านั้นรู้อะไรพระองค์องค์นี้ก็รู้พระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตที่วิเศษยิ่งทั้งหลายและเนี่ยจะรู้อะไรพระองค์ก็รู้สิ่งนั้นนะครับนี่เรียกว่าสัพพัญญุตยานของพระองค์แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีสิ่งขัดข้องอะไรเชื่อว่าสัพพัญญุตยานพราะอัฏฐาว่ารู้สภาพที่เป็นกองแห่งขันตลอดทั้งหมดนะคือขันเนี่ยมีเยอะใช่ไหม ความเป็นกองแห่งขันเนี่ยรู้หมดเลยสภาพที่ทรงไว้แห่งธาตุสภาพที่เป็นที่ต่อนะเป็นเครื่องต่อแห่งอายตะนะสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขตธรรมสภาพที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังขตธรรมตลอดทั้งหมดนี่นะครับมีประมาณเท่าใดพระองค์รู้หมดเลยชื่อว่าสะพันยุตยานพระอัฐาว่ารู้กุศลธรรมตลอดทั้งหมดนะกุศลมีเท่าไหร่นี่นะครับในการอันหาประมาณนี้ได้รู้หมด อกุศลมีเท่าไหร่ก็รู้หมดอัพยกตธรรมมีเท่าไหร่รู้หมดกามาวจรธรรมมีเท่าไหร่ก็รู้หมดรูปาวจรธรรมมีเท่าไหร่รู้หมดอรูปาวจรธรรมมีเท่าไหร่รู้หมดอริยาปณธรรมคือโลกุตรธรรมมีเท่าไหร่พระองค์ก็รู้หมดอีกนะครับนะเอ้ยงั้นเราก็มาบอกพระพุทธเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้ก็น่าจะพอถามว่าพูดแค่นี้แล้วฉลาดขึ้นไหมล่ะ ถ้าไม่ฉลาดขึ้นก็ควรเนี่ยเอาบทธรรมทั้งหลายแหละมาค่อยๆจำแนกตามนะครับก็จะได้มีเวลาซ่องเสพคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นบางคนก็บอกเออพระพุทธเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็พอละไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายถ้าอย่างนั้นแล้วถามว่าพุทธานุสติเจริญได้ไหมล่ะคิดอยู่แค่นั้นแนหะนั่นนะเพราะฉะนั้นที่ภาษาริบบทเนี่ยนะครับมาแยกแยะให้เห็นเป็นต้นเนี่ยนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีข้อมูลในการเจริญพุทธคุณให้เจริญพุทธานุสติโดยเฉพาะบทว่าตถาคตนะครับ เชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้สภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกข์รู้สภาพที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยรู้สภาพที่เป็นที่ดับแห่งนิโรธรู้สภาพเป็นที่เป็นทางแห่งมรรคตลอดทั้งหมดนะครับคือรู้ทั้งหมดนะฮะอริยสัจสี่นี่นะครับ <responsibilities> ทุกแง่ทุกมุมหรือว่าใครบรรลุเนี่ยพระองค์ก็รู้หมดนะครับรู้เพราแทงตลอดยังไงรู้แค่ไหนเนี่ยพระองค์ก็รู้หมดนะครับอันอริยสัจก็เป็นเครื่องอธิบายสัพพัญญุตยานและอนนาวรณญาณเป็นอย่างดี เชื่อว่าสัพพัญญุตยานพระอัถฐว่ารู้สภาพปัญญาอันแตกฉานดีในอัฏฐแห่งอัฏฐปฏิสัมพิทานะครับก็คือรู้ปฏิสัมพิทาสีนั่นเองนะครับแตกฉานในอัฏในธรรมในนิรุตติในปฏิภาณของปฏิสัมพิทาสีนั่นเองเชื่อว่าสัพพัญญุตยานพรารู้อินเริยปรโรปริยตตยานยานที่ยังรู้ความยิ่งและความหย่อนของอินทรีของสัตว์ทั้งหลายเนี่นะครับด้วยการห้ิบเนี่ยนะ รู้อาศยาอนุสยาญาณ น, นะครับรู้อาศาสญและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รู้ยมกะปาติห า, านญาณหรือว่ารู้มหากรุณาสมาบัติญาณตลอดทั้งหมดนะครับนี่อนนาวารณายาณก็ไม่มีเครื่องกลางกันในญาณทั้งหลายเหล่านั้นเลยสัพพัญญุตญาณเนี่อรู้หมดแหละครับเพราะญาณต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่เป็นยังไง ไม่ใช่รู้แต่ของพระ อ, องค์เองอย่างเดียวรู้แม้ของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆในอดีตด้วยรู้พระพุทธเจ้าที่จะมีในอนาคตเนี่ยพระ อ, องค์จะรู้อะไรจะแตกฉันยังไงอยังไงพระ อ, องค์ก็รู้หมดนะครับนี่เป็นสัพพัญยุตยานของของพระ อ, องค์นะครับอย่างเช่นว่าในพุทธากาลกาศธรรมก็ไม่เห็นมีเหตุอะไรที่สร้างบารมีว่าจะต้อง คือในในในปัญญาในเรื่องการสร้างปิญญาปัญญาก็มีเห็นจะแตกฉานขนาดนี้นี่ครับอ๋อคือเป็นอุปนิสัยครับบารมีทั้งหลายเนี่ยเป็นอุปนิสัยเพื่อให้ตรัสรู้แบบนี้นะครับคือเราเราจะคิดง่ายๆกันว่าถ้าทําเหตุเท่าไหร่ผลก็จะได้รับเท่านั้นอันที่จริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับสะสมบุญเนี่ยนะสะสมมันก็จะยิ่งจะอุปนิสยัยมีสติมีปัญญากว้างขวางไปเรื่อยเรื่อยเื่อยเยจะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็จะรู้เท่านั้นนะครับสังเกตดูสัพพัญยุตยา น, นียก็โดูเหมือนจะประมวลยานอื่นๆนั่นแหละรวมๆเรียกว่าสัพพัญยุตยานและสัพพัญยุตยา น, นั่นแหละก็เรียกว่าอนนาวรณายานอย่างนี้ใช่ปะเธอสัพพัญยุตยา น, นี่นะครับรอบรู้สรรพสิ่งทั้งหมดะนะเป็นยานที่รอบรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เป็นยานที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าถ้าพูดอีกใ น, นหนึ่งก็เหมือนความรู้ในความรู้ทั้งหลายอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนอันนี้ไหมอาจารย์เหมือนอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมป ฏ, ฏิสัมพิทาแล้วไอ้นิโรติป ฏ, ฏิสัมพิทาเนี่ยไอ้ที่ไปรู้ไอ้ป ฏ, ฏิสัมพิทาทั้งสมนะเรียกว่าป ฏ, ฏิพาณเนะีป ฏ, ฏิา <as S 2> าพาณเปฏิสัมพิทาอย่างา น, นี้ครับครับอันนั้นอย่างหนึ่งัแต่ว่าสาพาัพพัญญุตยานรู้แมก้กระทั่งไอ้ป ฏ, ฏิพานอันนั้นด้วยอีกที นะครับคือคือสัพพัญญุตญาณเนี่ยมันเป็นญาณที่รู้สรรพสิ่ง <há? S 1> แต่ถ้าญาณไปรู้เฉพาะเฉพาะเฉพาะเฉพาะเป็นเรื่องๆไปอันนั้นก็เป็นญาณอื่นๆไปเป็นกิจของญาณอื่นๆไปแต่ว่าสัพพัญญุตญาณเป็นตัวที่รู้สรรพสิ่งนะครับรู้แม้กระทั่งว่าอะไรเป็นเนี่ยอ ะ, อะไรเป็นอริยศาสตร์อะไรเป็นกุศลอกุศลเป็นต้นรู้หมดแม้รู้ว่ากุศลเหล่านั้นเนี่ยญาณอะไรต้องไปรู้สิ่งนั้นๆเป็นต้นเนี่ยนะรู้หมดเลยว่างั้นนะนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะครับพระองค์ได้รู้แม้กระทั่งปฏิสัมพิทาสี่ก็รู้แตกฉานรู้แม้กระทั่งอาสาธารณญญาเ น, นี่ยนะครับยานทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นยานที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วแต่สัพพัญยุตยานเนี่ยนะไปรู้ยานเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับไปรอบรู้ในยานทั้งหมดเหล่านั้นอีกทีเชื่อว่าสัพพัญยุตยานพระอาถาว่ารู้อารมณ์ Wolf ann, ที่ได้เห็นได้ฟังที่ได้ทราบที่ได้รู้แจ้งที่ได้ถึงที่ได้แสวงหา ท, ที่เที่ยวตามหาด้วยใจแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแห่งหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตลอดทั้งหมดนะครับคือรู้หมดว่างั้นเถอะเชื่อว่าอนนาวรณายาเพราะว่านายา น, นั้น่ะไม่มีเครื่องกัน้นแล้วก็สรุปเป็นคาถาว่าบทธรรมไรๆที่พระตถาคตไม่ทรงเห็นแล้วไม่มีในโลกอันหนึ่งบทธรรมน้อยหนึ่งที่ควรรู้ พระตถ า, าคตไม่ทรงรู้แล้วไม่มีในโลกนะครับพระตถ า, าคตทรงทราบยิ่งซึ่งธรรมะเครื่องนําไปทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถ า, าคตจึงเป็นพระสมันตะจักษุคือมีสมันตะจักษุมีตารอบอะนะแปลว่ามีตารอบตัวว่า ง, งั้นรู้รอบเลยว่า ง, งันอันนี้ลักษณะของสัพพัญญุตยา น, นะครับสมันตะจักษุนี่นะทีนี้คําว่าสมันตะจักษุนั้นเป็นชื่อของพุทธยานสิบสี่นะครับพุทธยานสิบสี่ ถามว่ายานพุทธญาสิบเนี่ยรู้อะไรบ้างครับรู้ยานในอริยสัจ4ี่ก่อนนะครับคือยานในทุกยานในทุกขสมุทัยยานในทุกขนิโรธยานในทุกขะนิโรธคาไินีปฏิปทานะครับนี่เป็นพุทธญาสีข้อแรกส่วนสข้อหลังก็คือยานในปฏิสัมพิทาสี่นะครับคือยานในอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมนิรุติและปฏิภาณปฏิสัมพิทานะครับ ยานที่ยังรู้ปฏิสามพิธาทั้งสี่เหล่านี้เรียกว่าพุทธยานอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังรู้อาสาธรรณะยานอีกหกนะครับคืออินเดียปรบปริยติยานอาสยานุสย า, ยานยมกะปาติหาริยยานมหากรุณาสมาบัติยานสัพพัญยุตยานและอนาวรณะยานเพราะฉะนั้นพุทธยานสิบสี่นี้นี่นะครับแปดข้างต้นเนี่ยทั่วไปแก่ภาษาวกคือยานใน อริยสัจสี่กิานในปฏิสัมพิทาสีเนี่ยภาษาวกทั้งหลายก็รู้ได้แต่รู้ไม่กว้างขวางเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนอาสาธารณญาญหกที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ทั่วไปกับภาษาวกแต่ยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ทั้งสิบสี่ข้อเหล่านี้ทบทวนอีกครั้งสิบสี่ข้อได้แก่ยานในอริยสัจสี่ยานในปฏิสัมพิทาสี่ยานในอาสาธารณญาญหกนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดเรียกว่าพุทธญาณ14ประการเนี่ยทั้งหมดนี่เรียกว่าสมัญตาจากักขุนะครับรู้รอบเลยในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมด น, นะ <c oughs> ทีนี้ภาษารนบุตรยังขยายสัพพัญยุตยานให้กว้างขวางไปอีกว่าชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะอัฏฐว่าสภาพที่ทนได้แห่งทุกพระธถาคตทราบแล้วตลอดทั้งหมดที่ไม่ได้ทรงทราบไม่มีนะครับทุกขาริยาศัสตร์เนี่ยนะรู้หมดเกลี้ยงเลยว่างั้นเถอะ สภาพที่ทนได้แห่งทุกตถาคตทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทําให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีนะครับทุกขสัตว์เท่าไร่สมุทัยเท่าไรนิโรธเท่าไหรเนี่ยนะครับพระองค์นี่รู้แจ้งแทงตลอดถูกต้องรู้ด้วยพระปัญญาหมดเกลี้ยงเลยนะครับที่ไม่รู้ไม่มีเลยหรือว่าแม้กระทั่งในปฏิสัมพิทาสีคืออัฏถธรรมะ นิรุติปฏิทานปฏิสัมพิทาตถาคตก็ทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีเลยนะครับมันรู้หมดเกลี้ยงเลยแม้กระทั่งรู้แม้กระทั่งอาสาธารณญ า, านคืออินเดียปรโรปริยติยานอาสญานุสญาณ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 นะเวลาเราจะชื่นชมคุณของพระตถาคตนี่ก็เอาบทเหล่านี้มาชื่นชมก็ได้นะครับเวลาจะชื่นชมนะเวลาจะสรรเสริญดีนะครับสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญอย่างงี้จะประสบบุญเป็นอันมากนะครับดีกว่าไปชื่นชมคนบาปนะครับนะชื่นชมคนบาปนี่ก็โอ้ยชื่นชมกันจังนะครับ แต่คนดีๆอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถ้าเอามาชื่นชมเนี่ยจะได้บุญมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์ด้วยนะในขณะที่ชื่นชมในขณะที่ตามระลึกก็เป็นการเจริญพุทธานุสติเป็นสมถะกรรมฐานนะครับเชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะอธิว่าอารมณ์ที่ได้เห็นที่ได้ฟังที่ได้ทราบที่ได้รู้แจ้งที่ได้ถึงที่ได้แสวงหาที่เที่ยวตามหาด้วยใจคืออารมณ์ที่รับรู้ทั้งหมดเนี่ยนะแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ห่งมูสัตว์พร้อมทั้งส ม, มณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พระตถาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทําให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีคือรอบรู้ทุกอย่างนะครับในอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะสัตว์รู้เท่าไร่พระองค์ก็รู้เท่านั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตรู้เท่าไหร่พระผู้มีพระภาคก็รู้เท่านั้น พระผู้มีพระภาคที่จะมีในอนาคตรู้เท่าไหร่พระองค์ก็รู้เท่านั้นพระปัเจกกับพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะรู้เท่าไร่ในอดีตในอนาคตรหรือในปัจจุบนันพระองค์ก็รู้หมดอย่างนั้นนะครับภาษาวกรู้เท่าไรสัพพะศ์ ท, ทั้งหลายรู้เท่าไหรพระองค์ก็รู้อย่างนั้นนะครับแล้วก็รู้ในส่วนวิสัยเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ด้วยงนั้นญาณเหล่านี้ชื่อว่าอนนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกัน้น อันจึงสรุปเป็นคาถาอีกว่าบทธรรมรายๆที่พระตถาคตไม่ทรงเห็นแล้วไม่มีในโลกนี้อันหนึ่งบทธรรมน้อยหนึ่งที่ควรรู้พระตถาคตไม่ทรงรู้แล้วไม่มีพระตถาคตทรงทราบยิ่งซึ่งธรรมะเป็นเครื่องนำไปทั้งปวงเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงเป็นพระสมันตะจักสุผู้มีจักสุโดยรอบรอบรู้ในสรรพสิ่งเห็นสรรพสิ่งวังนั้นเถอะจึงเรียกว่าสรพันญูนะผู้รู้สรรพสิ่ง นี้เป็นสัพพัญญุตยานและอนาวรณายานของพระตถาคตเพราะฉะนั้นอาสาธารณะยานทั้ง6ของพระผู้มีพระภาคเหล่านี้นะครับชื่อว่าท่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะไม่กล่าวอารมณ์ของตนให้คลาดเคลื่อนเป็นไปโดยอาการอันไม่วิปริตด้วยประการชนีแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพนาว่าพระตถาคตเพร่ะมาถึงอาสาธารณยานอันท่องแท้ อาสาธารณญยาน6นะครับฟังมาตั้งนานพอสมควรจำชื่อทั้ง6ล้านนี่ก็เก่งแล้วนะครับนะชื่อยานทั้ง6นะหนึ่งหนึ่งนะครับอินเดียปรปริยติยานสองอาสยานุสยะยาน3ามยมกะปาติหาริยยาน 4. มหากรุณาสมาบัติยาน 5. สัพพัญยุตยาน 6. ออนาวรณยานนะครับ จำชื่ออาสาธรณายานหกว่ามีเฉพาะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับเพราะฉอถ้าจําชื่อยานหกยานนี้ได้นะครับเท่ากับว่ายาน7จ็ดสามเนี่ยได้ไปแล้วหกนะครับยังอีกแลก็ยังอีกครับยังอีกเจ็ดิบสามก็เหลืออีกครับเหลืออีกหกสิบเจ็ดนะครับก็ค่อยๆจําไปอย่างเี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็บวกลบไปเดี๋ยวครบเองนะครับครับผมบวกลบคูณหารไปเดี๋ยวก็ค่อยๆครบไป